เรื่องที่23ช่วยคนจะตายจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช 2,553 คุยกันไม่ได้มีขีดขั้น คุยได้หมดนีมดก็มีคำถามที่อยากเรียนรบ ก, กวนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่สองสามคำถามนะครับผมขออนุญาตเรียนถามข้อหนึ่งกับข้อสเนี่ยถามมาในครั้งเดียวเพราะคำถามเป็นแนวเดียวกันคำถามข้อที่1คือเราจะมีวิธีการวางท่าทีของ จ, จิตใจและมีแนวปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนรอบข้างตัวเราที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เช่นกรณีป่วยเป็นมะเร็ง แล้วมีภาวะความเจ็บปวดมีความทุกข์ทรมานมีเวทนาแรงกล้าที่เรื่อยๆเราจะวางท่าทีของที่ถูกต้องของจิตใจและการประพฤติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องในข้อที่สองที่ตัดจากเรื่องความเจ็บปว่วยก็คือเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตกําลังมาถึงการปฏิบัติเพื่อรักัาความตายที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเราควรจะวางท่าทีอย่างไรและจะปฏิบัติตัวอย่างไร เราได้รับการศึกษามาว่าผู้ที่กําลังจะตายถ้าจิตดับในขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลจะไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าจิตเป็นกุศลจะไปเกิดในสุคติภูมิเรื่นี้เนี่ยสมมุติถ้าตัวเรากําลังจะตายเราจะต้องทําอย่างไรและาญาติพี่น้องรอบข้างเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องเราควรเรียนถามพระเดชพระคุณครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามกันเยอะนะฮะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องประจำชีวิตเลยนั่นก็เป็นคำถามของชีวิตนี่เรื่องเจ็บป่วยก็เริ่มที่ตัวก่อนตัวเราก็เจ็บป่วยเราก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการได้เรียนรู้เราก็ได้ศึกษาศึกษาในแง่ของไอ้ตัวโรคภยัยค่เจ็บนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ เราศึกษาชีวิตเราด้วยเราก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์การเจ็บปวดเป็นหลายบางทีก็ น, นึกในแงว่ว่าเออเออเราได้ผ่านประสบการณ์อย่างผ่าตัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่รู้จักเกิดมาทั้งทีก็ยังได้อุตสาห์ได้มีประสบการณ์อันนี้ที่คนอื่นไม่ได้รู้นี่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากเนอะใช่ไหมเออการเจ็บปวดบางที เราก็มีความเจ็บปวดที่คนอื่นไม่ได้เจออเวลาเจ็บปวดนั้นเราก็เจ็บปวดแหละแต่เวลาผ่านไปแล้วมันสนุกเหมือนกันแหละได้มาดึกถึงแล้วมันก็ผ่านไปคือว่าเวลาสิ่งเหล่านี้ยเวลาเจอแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านมันไม่ได้อยู่กันตลอดเวลาเราจะไปซ้ําเติมด้วยการปรุงแต่งความคิดใช่ไหมก็เอ้ามันเป็นเวทนาเจ็บปวดใก้รู้ว่าเจ็บปวดแต่มามีแง่หนึ่งก็คือว่า สิ่งเหล่านี้บางทีมันเตือนใจเราที่จริงมันก็เตือนแหละบางทีเราอยู่ไปเราไม่ได้นึกว่าเราทําการงานมีภาระอะไรอยู่แล้วเจ็บปวดขึ้นมาทําให้เรานึกขึ้นได้โอ้นี่โลกนี้เราเป็นเนี่ยมันก็ทุกทรมานอย่างนี้นะแต่นนี้เรายังมีที่อยู่ที่ฉันที่นอนมีคนดูแลบ้างหรือคนอย่างน้อยก็ช่วยพาไปหาหมออย่างที่เคยพูด นี่ทำให้นึกไปถึงว่าเออแล้วคนอื่นคนมากมายในสังคมนี้ที่เขายากไร้ญาติมิตรก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีแล้วเขาเจอเขาอย่างนี้เขาจะลบากทุกข์ทรมายขนาดไหนพอนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรื่องของเราเล็กเลยเนยบางคนนี่จะหม้นึงวุ่นวายอยู่กับตัวเองทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยทำไมจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ย ก็ยิ่งซามเติมตัวเองนะนี่ที่จริงคนมันก็เป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าทำไมจะต้องเป็นฉันแล้วคนอื่นก็เป็นเยอะนี่พอเรานึกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลับเตือนใจให้เรานึกได้ถึงคนอื่นที่เขามีทุกข์มากมายแล้วมันก็ทาให้เราเนี่ยนึกขึ้นมาว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะลาบากแค่ไหนเราเรามีทางช่วยยังไงเราก็เลยยิ่งนึกขึ้นมาใหญ่ ตอนนี้ไอ้ความเจ็บปวดของเราก็กลายเป็นเรื่องเบาเลยเล็กน้อยไปเลยนะไม่เคยมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นแง่นหนึ่ง น, น, นคนที่มัวแต่วุ่นวายความคิดอยู่กับตัวเองเนะีนะ่ยก็จะทำให้ยิ่งทุกมาถ้าหากว่าใจเนี่ยมองกว้างออกไปนั่นะก็คือคุณธรรมกรุณาเนะี่ยถูกปลุกหรือกระตุ้นขึ้นมานะี่มันจะทำให้ เราทุกน้อยลงด้ซ้ำเนี่ยมันเป็นไปเองในธรรมชาตินี่ก็แง่หนึ่งนี่ก็เรื่องของการหาประโยชน์จากสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึง่งแล้วเราก็ต้องใช้มันให้เป็นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนเราก็ต้องดูว่าเอออ่ะเช่นโรคนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นภัยต่อชีวิตเราจะทำให้อายุสั้นลงไหม าอายุสั้นเราก็จะได้กะวางแผนชีวิตสิใช่ไหมว่าเรามีเวลาสักเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เวลานี้อย่างไรจรึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะีอันนี้ก็อย่างหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเวลาที่เหลือเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างนี้เราก็มามองในแงก่ก็การวางแผนชีวิตเหมือนกันว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรมันจึงเหมาะกับโรคนี้เป็นอยู่ให้เหมาะกันที่สุด เราจะได้เป็นอยู่ให้ดีแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพของชีวิตแบบเนี้ยนะก็โรคหลายอย่างมันกลับเป็นโอกาสนะบางทีไอ้สิ่งที่เราจะไม่ได้ทํากลับได้ทำํำนะแล้วก็กลับเป็นได้ประโยชน์มากเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นจึงได้เคยพูดบอกว่าหลักความจริงมีอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นยอดลาง หรือเป็นลาบปเสริฐนะก็จริงใช่ไเมื่อไม่มีโรคมันก็เป็นลาบแหละทำให้เรามีร่างกายที่เอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรแต่ไรได้สะดวกแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรคนะถ้าเกิดมีโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาบว่าไงเน้ออ้าวใช่เออทำไงแล้วท่านต้องคิดหาทำนะก็มันก็เป็นลาบได้เหมือนกันดีอย่างที่ว่าแหละ สภาพชีวิตแบบนั้นมันเกื้อกูลต่องานหรือสถานการณ์หรือการกระทําหรืออะไรสักอย่างบางอย่างถ้าเราไม่ป่วยแล้วอาจจะหาโอกาสทําได้เยอะพอเราป่วยแล้วกลับทําได้ดีแล้วตอนนี้อันนี้มันยังโยงไปถึงตายด้วยนะครัคือทางพุทธศาสนา น, นี่ถือว่าคนเนี้มีโอกาสสูงสุดจนกระทั่งวินาที่สุดท้าย แล้วก็คนจะตายนะอาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐที่คนที่อยู่อีกร้อยปีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียเปรียบใครนะคนที่แย่ก็อาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนที่จะตายนั่นแหละอา้าวอันนี้ก็เลยมาตอบโยงกันไปเรื่องตายด้วยคือเรื่องตายเนี่ยนะมันก็มีด้านจิต ด้านปัญญาสองด้านเนี่ยที่จะต้องรู้จักจัดปรับให้ได้ผลดีจิตก็ทำไงจะให้จิตมันดีมันผ่องใสมันเป็นกุศลจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่มาช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความร่าเริงบันเทิงหรือว่ามีความผ่องใสอย่างน้อยก็ไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองรักษาจิตได้ก็ให้สติเนี่ยไปยึดอยู่กับสิ่งที่ดีเพราะนั้น โบราณจึงถือกันมาไงเหมือนกับว่าคนที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยบางทีก็ทำให้ทุรนทุรายจงกระทั่งว่าจิตใจก็ฟุ้งซ่านก็เลยต้องอาศัยคนใกล้ชิดเปนลูกหลานหรือจากระเป็นไ ข, ขก็ตามหรือแม่ไม่มีก็นิมน์มพระมาเพื่อมาช่วยเนี่ยมาช่วยก็คือมาช่วยให้ให้สติ มาช่วยที่จะให้จิตของเขาเนี่ยมาผูกหรือมันนึกได้ให้มาอยู่กับสิ่งที่ดีงามตอนนั้นจิตมันจะวุ่นวายมากแล้วถ้ามันเกิดไปจับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้คุณโมเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์จิตมันก็จะไม่ไม่เป็นกุศลเป็นอย่างมากนั่นก็คนมาให้สติทีนี้ถ้าตัวเองทําได้ยิ่งดีก็คือฝึกไว ตาปกติก็ไม่ปล่อยใจเรือเ่อยเปื่อยคือมีความสามารถในการที่จะใช้สติเอาสติสติก็คือเป็นตัวดึงดึงจิตไว้กับอารมณ์หรือจะเรียกว่าดึงอารมณ์มาไว้กับจิตดึงอะไรก็ได้ที่มันดีอ่ะแทนที่จะปล่อยจิตให้มันไปจับกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีได้มากจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไปกับเรื่องที่เข้ามาแล้วทีนี้ยิ่งสิ่งที่มัน มีเป็นทุกข์มีความไม่สบายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้จิตใจไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความกระตุ้นแรงแล้วจิตมันก็ไปผูกกับสิ่งนั้นทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยทุรนทุรายไม่มีสติฟันเฟือนไปเลยนี่ก็ถ้าเรามีสติแล้วก็ไปดึงเอาอารมณ์ที่ดีๆมาเหมือนอย่างที่ว่า ถ้าตัวเองก็ทำไม่ได้ก็เอาคนใกล้ชิดพระมาทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดเป็นคนที่รู้หลักเป็นก็จะให้สติได้ดีเช่นอย่างอยู่ก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้านึกอะไรไม่ออกเลยก็เอาบทสวดมนต์มาหรืออ่านหนังสืออะไรให้ฟังถ้ามนงั้น ก, นก็พูดกับท่านคุยกันให้ท่านนึกว่าเออเมื่อ ปีนั่นหรือเมื่ออายุเท่านั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วเราเคยไปเที่ยวกันไปน้ำมาศการพระที่นั่นอะไรเงี้ยไปลึกทวนเอาเรื่องที่ดีๆคาบสิ่งที่เคยถามที่มันเด่นๆบางทีท่านทําอะไรไว้ที่เด่นๆที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยก็ไปดึงออกมาถ้าไม่มีคนไปไปเตือนสติอันเนี้ยก็นึกไม่ออก แล้วจิตมันก็จะฟุ้งไปกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปช่วยจับไอ้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้เอามาพูดให้ท่านฟังเพราะจิตท่านได้เมื่อจับอยู่กันนี้ได้ทีนี้ดีเลยนะยิ่งถ้ามีหลายๆอันแล้วอันนั้นมันเด่นมากนั่นนะก็สมัยก่อนก็ถึงได้มีการที่ทําให้คนแก่ได้ทําอะไรที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเพื่อจะให้จิตมันจับแล้วมันเด่นคือคนเราเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆอะไรเนี่ย สิ่งที่มันเตือนความจําก็คือเรื่องเด่นเหตุการณ์ในชีวิตที่สําคัญทีนี้ถ้ามันเป็นเด่นในทางไม่ดีก็พาจิตแย่ไปเขาก็เลยหาอุบายมาให้สร้างไอเหตุการณ์ที่มันเด่นในฝ่ายดีอย่างคนเก่าๆนะที่ให้สร้างพระประธานอะไรย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่เป็นพระองค์โตบวมเพราะว่าพูดขึ้นมานิ่นึกขึ้นมาชัดเลยเนี่ยก็เพื่อให้ เป็นในจุดหรือสติที่จะได้เอ๊ะขอไปยเป็นอารมณ์ที่จะได้สติไปกํากับไปดึงไปยึดเอามาผูกกับจิตได้นะหรือไปผูกไปฝังลูกนนมิดผูกศีมาวัดนั้นอะไเงยเนี่ยนะแต่นี่ต้องหมายความว่านี่เป็นเรื่องที่สมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นการขาธุรกิจไปซะเยอะเนะสมัยนั้นมันหายาก อย่างสร้างพระนี่ก็หายากองค์ใหญ่ๆนะฝังลูกนิมิตผูกสิมานี่ในชีวิตหนึ่งหายากเดี๋ยวนี้ตามสี่แยกเต็มไปหมดโฆษณากันมักจะตรงตรูดจีนใช่ไหม mm hmm. เนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปเลยเนยมันก็เลยเาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์แท้แต่ว่าถึงยังไงก็อา้าพอช่วยได้บ้างแต่ อันนี้เป็นเพลงตัวอย่างหมายความว่าเราสามารถสร้างเหตุการณ์สำคัญสคัญที่จะเป็นเครื่องทำให้สติจับได้ง่ายเป็นจุดเด่นเนี่ยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเราก็ไปพูดกับท่านแล้วก็ดึงเอาเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้มาให้ท่านแล้วก็คุยอะไรแต่อะไรให้จิตของท่านอยู่กับสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ช่วยให้จิตมันเป็นกุศลอยู่นี่แบบ ง, ง, ง่ายง่ายงั้นถ้าเป็นคนมีความสามารถในการพูดก็อธิบายธรรมะที่ทําให้จิตใจมันร่าเริงเบิกบานพ่องใสนี่ก็เป็นด้านจิตใจหรอือก็ไม่รู้และลึกถึงบุญกุศลเลยลึกถึงพระตันตนาใจโบราณที่เขาบอกอรหังอะไรก็อย่างนี้นี่เป็นด้านจิตใจนอีกด้านนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญานี่ก็คือให้ขึ้นไปถึงขั้นที่ว่า มีปัญญารู้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าอ น, นิีจางทุกขั์นั้นตาจงกระทั่งเมืนจิตยอมรับความเป็นจริงพอถึงขั้นนั้นจิตเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตแล้ววางใจได้เลยหมายความใจของเขาเองนะวางใจกับชีวิตนี่ได้คือมันลงตัวมันไม่ห่วงกังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วุ่นวายสับสนและแตานี้ พรจิตมันเกิดความรู้รู้เข้าใจชีวิตชีวิตเกิดเป็นอย่างนี้ลงได้อย่างนี้นะพอจิตมันวางลงได้ได้ความรู้เข้าใจเนี่ยมันลงตัวแล้วเนี่ยลงสบายเลยหมดปัญหาไปเลยเรียกว่าตอนนี้จิตกลายเป็นอิสระไปแล้วด้วยปัญญามาปลดปล่อยขั้นนี้เป็นขั้นปัญญา ดีกว่าขั้นจิตแท้ๆด้านจิตนั่ก็แค่ได้ทาให้จิตเป็นขุศลจิตละเรือมเบิกบานพองไสยอยู่กับสิ่งที่ดีเท่านั้นเองได้แค่นั้นนะก็ต้องเอาอะไรมาให้มันมาอยู่กับจิตหรือครองจิตไว้ให้ด้านดีอยู่แต่พอด้านปัญญามานี่วางได้เลยจิตเป็นอิสระพ้นเลยหมดปัญหาไปเลยดันั้นก็ ถ้าเราสามารถก็ไปให้ถึงการปัญญาถ้ายังไม่สามารถก็ให้ได้คันจิตให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีไว้ก่อนไม่เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่จะทําให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเนีเกิดขึ้นหรือมาเป็นตัวครองจิตแล้วก็ปั่นจิตนะทงอย่ า, างไ้สิ่งพวกนี้ยมันมีโอกาสมากเพราะมันเด่นนะฝ่ายไม่ดีฝ่ายร้ายเนะี่ยแล้วจิตมันจะ ถตัวยากพอจิตมันเป็นนึกเรื่องไม่ดีแล้วทีนี้มันเอาอยู่นั่นแหละนะนี่นังคนใกล้ชิดจะต้องมาช่วยดึงออกหรือเอาไอ้สิ่งที่ดีมาแทนวิธีการหนึ่งก็คือแทนที่จะดึงออกก็เอาไอ้สิ่งที่มันดีที่มันเด่นกว่ามันใหญ่กว่ามาแทนเนะี่ยมาทดแทนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อบไปถึงตอนตายเลยแต่ทีนี้ว่าที่บอกว่า โอกาสของคนเนะี่ยมีแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คืออย่างนี้แหละพอถึงขั้นปัญญาเนี่ยนะอย่างผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติมามากแล้วเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยประสบการณ์ที่มีอยู่จิตมันก็ได้จังหวะหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติของ จิตเองก็คือตัวเองปฏิบัติตอนการสุดท้ายน่ะที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมได้เลยเพราะนั้นก็มีในพระไตรปิฎกจะเล่าถึงท่านที่เจ็บป่วยหนักแล้วก็บรรลุอรตผลได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายหรือแม้กระทั่งเรียกว่าท่านเรียกวชีวิตะสมศสีคือพร้อมกับตายเลย พอบรรลุอรรถผลก็ตายบอดีเลย mm hmm. <c oughs> ก็มีเพราะนั้นก็เลยกลายไปว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายเพราะนั้นไม่หมดโอกาสถ้ารู้จักใช้นั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงมากนักคือเราเรามีความหวังอยู่เน <c oughs> <c oughs> ว่าเออชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง <c oughs> ใช้ประโยชน์ได้กระทั่งวินาทีสุดท้ายเนย แล้วอาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนนั้นก็ยังได้ก็เช่นเดียวกันแม่จะเราไม่ใช่ป่วยเองเราก็แนะนำคนที่ป่วยนั่นแหละถ้าเขาเดินจิตปฏิบัติถูกเขาอาจจะบรรลุธรรมตอนนั้นถึงแม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะได้ขั้นสูงที่รองลงมาตอบไปได้แค่ไหนแล้วมรรล้ทายังมีแง่สงสัยก็ถามต่อมีไหมครับ ตอบยังไม่หมดแง่กั็ช่วยตั้งแง่ให้ด้วยก็คำถามถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการเรียนไหวตายเกิดเอาล้อันนี้ไม่เอาแล้วเลยหมดแล้วเลยคือในกรณีของคำถามที่ตั้งไปเนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าอย่างกรณีผู้ที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วทุกอย่างมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มตัวไปหมดเนี่ย เราจะมีการให้สตินะครับเนี่ยการรับรู้เขาน้อยมากครับแต่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรก็อันนี้เราก็ตั้งหวังไว้ก่อนคือเราไม่รู้ชัดนี่ว่าเขาอยู่ในระดับของการมีจิตสํานึกได้แค่ไหนใช่ไหมบางทีเขาแสดงออกไม่ได้แต่เขารับรู้ได้เนี่ยอินทรีย์ในทางแสดงออกแสดงออกมาได้เลยขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่รับรู้ยังมี บางทีตายังเห็นบางทีตาไม่เห็นแล้วแต่หูยังได้ยินแม้แต่หูไม่ได้ยินแล้วบางทีการซึมซับทางบรรยากาศมีเออเอาละสิบรรยากาศก็สําคัญนะ<ม>การรับทราบทางบรรยากาศเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปประมาทท่านถึงเจ็บป่วยหนักเหมือนก็นไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยบางทีรับทราบทางบรรยากาศนั่นเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ดีเพื่อน้อมจิตไปในกุศล ให้จิตเนี่ยไปในทางกุศลแม้แต่จะเกิดการฝันพอบรรยากาศดีก็ฝันไปดีฝันไปในทางที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มันงดงามนี่ยจิตใจเ บ, บิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยก็ช่วยเพราะนั้นก็เลยมีการที่ว่าเอา้าอย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็สวดมนต์ให้ฟังเปิดเทปเสียงเบาๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องดีๆ ในบางงันเข้ามาก็มาพูดคุยกันในหมู่ญาติมิตรคนใกล้ชิดก็พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่จะคล้ายๆว่าถ้าได้ยินแล้วก็จับสบายใจนีอย่างเงี้ยก็ช่วยในทางบรรยากาศก็เท่าที่เราจะนึกได้ว่าท่านอาจจะยังอยู่ในระดับนี้ได้นะแล้วเราก็ทําไปนีก็ต้องถือว่ายังมีหวังอยู่ไม่ปล่อยละแล้วเลยเดี๋ยวกลายเป็นประมาท ทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทเนะท่าที่จะเป็นไปนได้พอจะไหว